I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, from the land of slavery. ال ف اللّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي اللّه فلا مُضللَه ومن يُضللَ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا ل ل ه و ح د لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 اللهم u m ن a i n n و a'uzubika min س و ء الكبر ر ب ي إعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي و ع ا ف ن ي في سمي ع و ع ا ف ن ي في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن ة أ ر ش ه و م د ا د ك ل م ا ت ه a ม s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องที่ร่วมนมัสยิดที่บ้านของ a ลอ a h ที่รักทั้งหลายครับประทำดีแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามนะครับตับเซตที่อยู่ที่บ้านของท่านทุกคนนะครับประทำดีแล้วเราดีใจนะครับที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิม แล้วเราให้อัลลอฮ์ได้ให้ความรู้ผ่านนบีเนี่ยเราก็เอามาปฏิบัตินะครับเช่นพอตื่นนอนบนที่นอนเนี่ยเราไม่ได้ตื่นแบบไม่ได้อ่านดูอาเราก็ตื่นพร้อมกับดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอะยานะบะดมอมตานะไวลฮินชูเป็นดูอาตื่นนอน دعاء เข้าห bon ้องน้ำอ right. right. ัลลอฮุมะอีญีอัลฮซูฟิกะมิ널ฮุบุสีวะลขะบะฮิสดวงออกจากห้องน้ำกุฟรอเนกะดวงออกจากบ้านอะไรบิสมิลลอฮฺบิสมิลลอฮฺอะไรอันดับไหนอะไร บิสมิลลาฮิ р р а х м а н ตัวกลัลลอฮิวาลาฮวาลาวาลาคูบัตฮิลลาบิลาดูอ่านเดินมามัสยิดมีอีกดูอาเข้ามัสยิดมีอีกอัลลอฮฺบอรเห็นยางครับเนี่ยคือดูอ่านมีทั้งหมดถ้าเราสนใจสุนัขนบีว่านบีอ่านดุอ่านบทไหนเราก็เอาไปข่องให้จำกันเอาไปนาเอาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ถามว่ารงางวัลมีไหมมีเพราะเราตัต้งใจทำเพื่อให้ให้เหมือนกับนบีเนะี่ยใช่ไหมในคกุรอานมียุลยหลายอ่านนะคนที่ปฏิบัติชีวิตเหมือนท่านนาบีนะครับพยายามเล่าเรียนของบรรดาซอฟ้าของท่านนาบีขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเราได้ทบทวนอลัลกุรอานนะครับวันนี้ห้าอยะธรรมดาแค่สี่ ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเป็นมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้อ่านอัลกุรอานขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนหาความรู้จากอัลกุรอานซึ่งเป็นความรู้ที่สะอาดไม่มีข้อขัดแยง้งไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีข้อเสียหายกุรอานทั้งเล่มเนี่ยทุกอายะเนี่ยมีมีความเป็นความรู้หมดเลยเป็นความรู้ที่สะอาดด้วยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านอายะสุดท้าย ของส ah ุรัสจัจดาอายาที่22สรุปก็คือว่าใครเล่าที่จะเลวไปกว่าคนที่วะมันอัสลัมใครเล่าที่จะอาธรรมใครเล่าที่จะเลวไปกว่าคนที่รู้จักอัลลอฮ์นะครับรู้จักอัลลอฮ์อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ที่อย่างพยายามปรับปรุงตัวเองประคองตัวเอง ซุมมาอ้รารอต่อพอต่อต่อมาเนี่ยออกห่างหันหลังให้เนี่ยตรงนี้ต่าหากที่เอารอบเตือนนบีให้นบีไปสอนสหายแล้วคนที่อ่านอุไรนนี้ต้องนึกเรานี่เคยเป็นคนดีมาประคองตัวเองมาตลอดฉะนั้นอย่าปล่อยตัวเองให้เป็นคนที่ออกหา่างจากศาสนาของเราซุ่มมาอ้าเราต้ อ, อนฮห แล้วก็ต่อมานี่มหันห่างมาทำตัวออกห่างมาทมตัวเฉยเมยทำเป็นคนเหมือนกับไม่เคยเห็นศาสนามาก่อเลยทำตัวอย่างนี้เนี่ยนะในคุรอานุลอกราชิบาระบอกว่าอินนะมินันมุจลิมีคนที่ทำตัวแบบนี้เนี่ยนะเป็นคนผิดเป็นคนเลวแล้วก็มุนตะกิมุนอลัลลอจะเล่นงานจะลงโทษคนประเภทนี้ เป็นคนดีมาตั้งแต่เริ่มต้นมีคนดีมาตลอดจะมาเสียเอาตอนแก่ไอ้คนที่ไม่ดีมาแต่เริ่มต้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาดิเพราตอนแก่แกจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีอันนี้ทุกคนรักหมดหือทำยังดีเลยฉะนั้นเราต้องเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเข้ามาสิดอ่านอัลกุรอานซืบรุนล้วอยู่กับคนดีเลือกคบคนดีใช้ภาษาพวกก็ตกเปลี้ยนหมดน่ะ พยายาัเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับให้เอาอัคาของท่านนบีอัคาของบรรดาสบเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจวันวันนี้อายที่23นะครับวะลัโดฮะนามูซันกิตาบฟตคุมฟีมรยติมมิลลิออวะจันาฮูดัลลิบนี อิสราเอลอัลฮัมดุลิลลาฮฺวะล่ะก็ได้ทายนามุสลิตาบฟะละตะคุมฟิมิรียติมมิลลิไควว่จัลนาหุดัลลิบันอิสราเอล ทำโดยลีลาอัลลอฮนี่เป็นความรู้มมนเลยนะอ้ย่างนี้ตองการจะบอกว่านบีมุฮัมมัดกับนบีมูซาเนี่ยคนละสมัยกันนะใช่หรือไม่ได้นบีมูซานี่มาก่อนนบีมุฮัมมัดมาก่อนนบีอิซาด้วยจากนบีอิซามาถึงนบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยห่างกันห้าร้อปีแล้วก็จา จากนบีอีสาขึ้นไปหานบีมูซาเนี่ยก็นานอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดบอกว่านบีมุฮัมมัดกับนบีมูซาจะต้องพบกันนี่อายะ น, นี้จะต้องพบกันเอาดูไงดูสับนะโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะจะต้องพบกันแน่นอนพบกันที่ไหน รู้ไหอัลลอ์เนี่ยให้ น, บ, บ, น, นบีมูฮัมหมัดพบกับนบีมูซาที่ไหนร้เมื่อรอขึ้นเนี่ยรอไปรับนมาดห้าสิบเวลาที่อัลลอ์มอบให้ครั้งแรกนะเป็นของขวัญให้นะห้าสิบเวลาพอลมาชั้นฟ้าชั้นที่ท่านที่เจ็ดถชั้นที่หกมาเจอนบีมูซาอันนี้มูซาถามว่าได้อะไรมาจากอัลลอฮ์ได้นมาดมากเท่าไหร่ ห้าสิบเราก็อัดนบีมูซาว่าขึ้นไปเถอะฉันอยู่กับมนุษย์มังทำไม่ไว้นบีก็ขึ้นไปต่อรอจงอางเหลือกนนี่ไงการพบกันตรงนั้นอัลลาดกับเบกุรานหรือว่าสองนบีมูซาก็ต้องพบกับนบีมุฮัมมัดเหมือนกับที่นบีมูซาถูกรังแกยังไงนบีมุฮัมมัดก็ถูกรังแกเหมือนฉัน แล้วคำพีของนบีมูซาคือการพีเตอร์ของนบีม a หมั a คืออัลกรุรอานนี่ต้องการจะเตือนนบีให้รู้เองไม่ใช่ธรรมดานะเลยก็ต้องพบกับมูซาพบดึกภาพแล้วเราวันนี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในยุค ข, ของนบีม a หม m a เนี่ยเราก็มารู้เรื่องอย่างนี้ทำอิมาเพื่อเพื่อไหมล่ะแต่ามาเรื่องนี้มันจริงหมดเลยนะไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเอามาดูสับนะครับ ว่าเราได้อาตายนาโมซาลกิตาโมซาแปลคือนบีมูซาอาตายนาแปลว่าเราได้ประทานเรามาถึง Allah. อัลลอฮ์แล้วก็แปลว่าโดยแท้จริงหรือแน่แท้โดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานให้กับมูซาอัลกิตาบกิตาบแปลว่าคำพี อ, อุลามะกาอธิบายต่อว่าคำภีชื่ออะไรอะคำพีเตาหล่ออัลฮัมดูลิละฉะนั้นนบีโมซ่าเนี่ยได้รับคำภีคำพีหมายถึงความรู้ทีนี้นะคำภีคือทางนําคำภีคืออะไรถ้าเป็นกุลัาน้าเป็นชีฟะมุลเป็นฮะกีมุนเป็นนูรุนเป็นฮูดาอัลลอฮ์เยอะแยะเป็น ห, ดหมดเลยสิ่งของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์อธิบายไว้ในคำภีรกุรอานฉะนั้น คำพีที่นบีมูซาได้รับก็คือคำพีเตาโลส่วนนบีมูฮัมหมัดลับประทานให้กับนบีคืออัลกุรอานทั้งหมดเป็นทางนำหมดเดิและต่อมาครับฟาลาตะกุมฟีมิรรติมมิลลิคออีลาฟาลาตะกุนลาแปลว่าดังนั้นอย่าจงอย่าตะกุนแปลว่าอย่าเป็นคนที่ฟี อยู่ในมิรยิยะแปลว่าสงสัยหรือคลางแคลงฉะนั้นท่านไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปคลางแคลงมิลิกอฮีลิโกแปลว่าพบปะต้องการจะบอกกับนบีอุมัดให้รู้ว่าท่านนี้จะต้องพบกับลิโกฮี i. หมายถึงพบกับนบีโมซ่าบางคนอธิบายว่าคุณจะนบีอุมัดจะต้องพบกับอัลลอฮฺ บางคนอธิบายว่ารีโกอีฮี ห, หมายถึงพบกับอัลกุรอานหรือพบกับนบีมูซาหรือพบกับอัลลอ์ก็ตีความหมายได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุมะอธิบายนกัค้าว่าพบเนี่ยพบใครมีอยู่สรายการหนึ่งพบนบีมูฮัมมัดจะต้องพบกับอัลลอฮ์สองนบีมูฮัมหมัดจะต้องพบกับนบีมูซาอะลัยฮิสาลาส นบีมูฮัมหมัดจะต้องได้รับอะไรนะรับความเดือดร้อนปัญหาต่างๆเหมือนกับนบีมูซาตอนเยผยแพ่อิสลามเนี่ยถูกรังแกยังไงนบีมุัมก็จะถูกเหมือนกันคนนบีอานมาเจออย่างนี้ใจเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วฉันถูกแน่ฉันถูกแน่แงานนี้ดัะนั้นก็ได้มันขอดูอาต่ออลัอลอลอฮ์จะอัลล์มักฟื้นอะไรนะ บ, บรอนอัลลอ์จะประทาน ของที่ดีที่สุดคือความอดทนให้แก่ฉันด้วยเถอะเพราะว่าถ้าไม่มีอดทนเนี่ยใครดามาในของขึ้นใช่ไหมน่ะอย่างพวกเราวเนี่ยถูกตำหนิเล็กๆในน้อยเนี่ยเอาล้อของขึ้นนอนไม่หลับเครียดอลัลลอฮ์เขาบ่นมาจะยินเข้าวโหโอ้โหเครียด เ, เลยยนอนไม่หลับฉะนั้นอลัลลอฮ์ก็เตือนนบีให้นบีเตรียมตัวให้ดีนะท่านจะต้องพบกับอลัลลอฮ์แน่นอน สองจะพบ ก, กับ น, นบีมูซาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นต้นนะครับววลาก็ไดนามูซลกิตาแต่แท้จริงเราได้ประทานคำพีเตาระแก่นบีมูซานะครับดังนั้นฟาดาตะกุลกฟีมิรยาตินดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่ต้องสงสัย นะครับไม่ต้องอยู่ในการ ส, สาางสัยคานแขงใดๆทั้งสิ้นต่อการพบกับอัลลอ์หรือพบกับนบีมูซาด้วยกันเองนะครับต่อมาครับว่จอาหนาหูดัลลิบันีอิสราเอลและเราได้ทำให้คำพีเตรอกอ่า จะหฮูนี่อธิบายว่าเป็นคำพูดเตาร้อนหรือจะอธิบายว่าเป็นคำพู์อัลกุรอานได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตอนท้ายมันบ่งชัดลีบานีอิสราเอลทีน่นั้นอัลลอฮ์ได้ประทานคำภูด์ตาร้อนให้กับอัลบีมูชาและเราได้ทําให้คำพูดเตาร้อนนั้นเป็นฮูดาเป็นอะไรเป็นทางนําแต่วันนี้พวกอย่างฮูดีเนี่ยเอาคำพูดเตารอนเ็ไปใช่เปล่า ก็คิดเองมาแล้วกันใช่ไหมแล้วก็สังคยาหรือเปล่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมดแล้วโดยอุลามะยฮูดีเองแต่คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลล์บอกว่าฉันเนี่ยทดสอบให้คัมภีร์ของฉันเนี่ยสองสามเล่มก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมาเนี่ยประทานลงมาให้กับนาบีต่างๆตระกอบอุลมะของพวกเขานั้นมาแก้ไขสังขยาเปลี่ยนแปลงมาเติมด้วยมาลดด้วย พอแล้วฉันไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจมนุษย์ฉะนั้นเล่มสุดท้ายนี่ฉันขอดูแลเองรักษาเองเห็นยังครับนี่อัลลอฮ์ดํามาดูแลอัลกุรอานแล้วก็วันนี้มีคนหาฟิกุรอานเท่าไหร่นี่เป็นสัญญาให้รู้เลยนะอัลลอฮ์เนี่ยมีทั่วโลกเลยไม่ตามกันเป็นร้อยรล้านคนนะเด็กเด็กรุ่นเรารุ่นหลานเราท่องจำอันอัลกุรอานฉันเต็มทีหมดนลแต่คนธรรมดาชาวบ้านเนี่ยอย่างน้อยก็สิบยุทธหยุท ทุกคนอา ม, มาในใทุกคนเลใช่ไใครต้องอ่านผิดตัวเสียวโหอย่างนแปดแปดเก้าคนอ่านเตือนอ่านอย่างนี้อย่าอ่านอย่างนี้อันอนี้ติดนต้ น, นตตรอรรถกุลแดงดูแลอันทีนี้นบีมูซาเนี่ยไปพบกับนบีมุฮัมมัดไปพบกับนบีมูซา ต, ตอนไหนไลลาตุลอิสลรอคือนีท่านนาบีขึ้นอิสรแล้วก็ไปเมีรอโ ขึ้นไปไปพบกับ น, นบีมูซาอะไรวิสาอัลลอฮคว่ลล่าล่านักบีกุรานนะมีน้อายครับเอาเรื่องที่สองครับว่าะอัลนาหูหูดันลิบันีอิสราเอลและเราได้ทำให้คูเนี่ยมีอุลามะอธิบายท่านกตาดาอธิบายว่าเราได้ทำให้นบีมูซาจะอัลนาหูหูเนี่ยแลว่าเขาเนี่ยหมายถึง เราได้ทำให้นบีมูซานั้นเป็นอะไรพูดาเป็นผู้นําทางนํามาสอนกับพวกบันีอิสราเอลอธิบายยังไงพี่น้องต้องการที่อธิบายว่านาบีในยุคก่อนกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยแตกต่างกันนบียุคก่อนเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งนบีมาสอนเฉพาะกลุ่มเข้าใจนะมาสอนเฉพาะกลุ่ม แต่คำพีอัลกรุรอานที่ผ่านนบีมุฮัมมัดนั้นไม่ได้สอนเฉพาะคนอาหรับสอนคนทั้งโลกว่ามาอัลสลนะกะอิลลาระห์มัตันลิลอาลามีนนี่ข้อแตกต่างระหว่างคำพีหรือว่านบีก่อนๆที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดนั้นอันลลอฮ์ส่งบรรดา น, นบีเหล่านั้นมาสอนคนเฉพาะกลุ่มส่วนนบีมุฮัมมัดนี่เฉพาะกลุ่มเปล่าเปล่า คังทั้งที่เกิดในซาอุดีย์คุณอ่านเป็นภาษาอับดับแต่มันไม่ได้เจาะจงเฉพาะคนอาบดับคนอาหรับของเราด้วยและมนุษย์ทั้งโลกใบนี้ด้วยฉะนั้นนบี ม, มุ hammad เนี่ยสามารถที่จะไปยืนในประเทศไหนก็ได้เป็นสิทธิ์และคำฟีกุณอ่านจะต้องไปอยู่ในทุกบ้านในโลกใบนี้นี่เรารู้อย่างนี้มีขนาดแล้วเราก็ต้องนึกโอ้เราก็เราทำหน้าที่เรือ่องอะเคยทำหน้าที่ไม่ได้พยายัไม่เคยเตือนเลย ลกเอายังไม่เคยเตือนเลยว่าจะไม่ถูกย้ายไม่ให้เงินเพราะกล้วยทังหนาชก็ต้องเตือนกันอธิบายการสอนกันอะไรกันจะมั้งที่เป็นหน้าที่ก็นั้นเราไม่ใช่นบีแต่เราเอาความรู้ที่ผ่านนบีมาเนี่ยมาทำนะมาเตือนกันนะครับมาอธิบายให้กันท่านฮะซันบอกว่าว่าจะอาหนาหูเนี่ยเราได้ทําให้เขาเขามาถึงอัลกิตาบอ่า ท่านกอตาลาบอกว่าเราได้ทําให้ดมีมูซานั้นเป็นผู้ชี้ทางนําแก่บรรดานิสร อ, อินท่านฮัสซันบอกว่าเราได้ทําให้คัมภีร์เต่าร้องนั้นน่ะเป็นคำภีร์ที่มีแต่ทางนําชี้ทางนําที่ถูกต้องให้กับพวกบรรดานิสรอีออฮามดุลิลละก็ได้ต่อมาอายุที่ี่สิี วَ ج َั ل งเอลน م าฮุมว่าจ ئ ِ م َّ ة ً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ล้ وا, วมาสับบรุวะการุบิอายตินายุขินุออฮฺอัลลอเบอฺบุรระอัอฮอัลลอฮฺเบอฺรอัลลอฮฺอัลลอฮเป็นหระัวหอ้าอัลลอเบอ่บุรร๊ะอัองฺอัลลเป็นหุรรนน๊ะอัลลอฮฺอัคลอฮฺเะัเป็นยุรไหนก็าตามอัลเบอฺบุรอั้งตั้งอฮ่เบอฺบุะ มันจะอิมามคดเตบิลันกรรมการตัวเราอย่าเตะท่านครับพละลอตแต่งตั้งคุณมารับผิดชอบมันจะเอาตําแหน่งมากดคนนั้นกดคนนี้ไม่ใช่เฮ้ยตำแหน่งอิมามตําแหน่งผู้นําตําแหน่งอะไรที่ทีททญ่ใหญ่ใหญ่ๆ ห, ใ, ห, ใ, หในโลกนี้นะนะผู้อาญานี้สอนนะเองต้องหาความรู้เองต้องเรียนหนังสือแล้วก็มีปัญหาต้องสอบบัต นี่เอเราตัวนะรวม่ถึงพ่อบ้านด้วยอรรถแต่งตั้งไงเองมีภรรยาแล้วมีลูกแปดคนห้าคนอะไรก็าตามเอกเป็นผู้นำแล้วนะ่ะผู้นำหมู่บ้านผู้นำบ้านครอบครัวว่าเรื่อยลงมัาก็เป็นผู้นำองค์กรมัศยิดอะไรต่างๆก็ว่าไปผู้นำมีหน้าที่อะไรบ้างต้องหาความรู้ต้องเรียนทางั้นจะไปสอนคนได้ยังไง แค่สอนมียถ้าความรูร้ไ ม, ม่มีมียก็มีเชื่อจริงเมียก็อ่านหนังสือเราสามีไม่อ่านหนังสือเลยเอาล่ะพี่น้าเนี่ยเอาล้อเตือนนะคับพุณพระญานีนะการเป็นผู้นำอยู่ในศาสนาอิสลามนี่จะต้องเรียนหนังสือต้องอ่านหนังสรรือผมนึกถึงเนี่ยดรสุรินทร์เพชรสุวรรณไปเยี่ยมดร์มหาดิของมาเลเซีย มันเป็นรัฐบาลชุดแรกผมงยังชุดนี้นะชุดแรกนะดรสุรินไปไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็เขาก็ไปต้อนรับทีโ่โรงงานผลิตรถยนต์ดรสุรินก็ไปยืนสะพานึลี้ยงก่อนดรมหาเด่นก็เดินออกมาจากห้องผลิตรถยนต์รถยนต์พอออกมาก็สลามกันคุยกัน ผมนี้นะทำรถยนต์เพราะผมอ่านความรู้จกกากอัลกุรอานประกาก่หน้าประชาชตกตะลึงกันงงกูอ่านอายาไหนกูอ่านอายาไหนที่สอนให้ผลเรียนรถยนต์ถ้าพระอ่านกูอ่านอิกรอจงอ่านจงเรียนผมได้จากกูอ่านอาย่านี้ที่ผมได้ ไปเชิญคนที่มีความรู้ด้านพลิรือยนต์จากประเทศยุโรปจากญี่ปุ่นและเอามาสอนคนมาเลเซยไปห้ามยุโยรปในปัจจุบนยนต์ได้โ <c oughs> ครงาารไหนไหนกับอีกก็เรนาน ไ, ไหนไปคนที่เป็นผู้นําคนก็ต้องเรียนหนังสือนะอ่านคู่อ่านเล่มเดียวนี่แหละพอแล้วนั่นแหละเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจที่ดีที่สุดเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องอ่านหนังสือต้องอ่านอะไรผูอาน พ่อพุธอาจจะชี้นำชี้ทางให้พ่อพุธอาจจะสอนอย่างนี้นะครับอิสต์จีบูลินลาฮิวะดิรัสูลอิซากาอุมดิมาโยฮิยุกุลนี่อัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนนะบอกว่าจงประกาศกับอุมมาของนบีมุฮัมมัดทุกคนให้รับรู้ไว้ว่าอัลลอฮ์นี่นะเมื่ออัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวน เมื่อราซูดก็อัลลอฮ์เรียกร้องชวนชวนให้ทํา น, น, นู้นทนะํานี้ทํานี้ทํานั่นอ่ะรู้ไหยลีม า, ย, ายุไยดิคุมเพราะว่าแล้วเนี่ยทําให้ชีวิตชีวาของคนดีกว่าเกา่ า, าที่คุณอาหมายถึงอะที่อัลลอฮ์สั่งให้ทํานู้นทะํานี้น่ะมาก่อนเราไม่เคยทำใช่ไหมเพราะ า, าพาัฒนาให้ชีวิตของคณดีขึ้นนะ่ะ ย, ยุไฮดิคุมทำให้อรูฟแล้วก็จเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นนะ่ะฉะนั้น ทำตามคุรานอายาที่เราอ่านแล้วยังไม่เคยทําเลยนะมีไหมเยอะแยะไปหมดเลยอย่างให้อภัยอย่างนี้เอาเราในเคยโอ้โหใครพูดใสห่หูใครด่าเราในด่าเป็นอาทิตย์ใช่ไหมละ่ะมาเจอคุรานอ้าออวคุรานจงให้อภยัยยิ่งนบีมาสอนว่าสามีให้อภยัยภรรยาวันละเจ็ดสิบครั้งนี่มันอะไรกคนเนี่ยเคยให้อภัยไหมละ่ะ ก็ต้องนึกค่ะฉะนั้นพอให้อภัยนะชีวิตของคืนจะดีกว่าเก่าะให้อภัยภรรยาให้อภัยลูกให้ใภัยคนที่ทําอะไรไม่ดีก็บรรทัดอฟฝูอันให้คนละเยดมินสมองสบายนัมมารดให้หาสามีอภัยย่าโทษให้ภรรยาวันละเจ็สิครั้งเนี่ยอธิบายยังไงอย่าไปเอาเรื่องคนอ่ะปล่อยปล่อยปล่ยมากไงมันผ่านไปชีวิตคนจะดีขึ้นเห็นอย่างกับลิมาโยฮีกุ๊ม ชีวิตคนคุณจะพัฒนาขึ้นจะพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นจะดูดีขึ้นเราจะเราจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหมดเลยแคนั้นไม่มีอะไรเสียหายถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุภาพนาบูต่าถาว่าให้อภัยในงานหนักนะั้นหรืองานเบาโอ้โหทำไปฝึกเอาไว้นี่นะอืมเป็นสัตรูกันทา ง, ทางบ้านนั่นแหละเอาต่อมาครับอย้ยานี่ต้องการจะเตือนนะว่าผู้นําต้องเรียนหนังสือ เหมือนกันคนที่เป็นมุสลิมทุกคนต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องอดทนนะว่าจะอ้างนาแล้วเราได้ทําให้นะจะอ้างนาเราได้ทําให้มินฮุมจากหมู่พวกเขามินฮุมเราได้ทําจากหมู่พวกเขาเนี่ยออิมม่แต่ว่าอิมามเป็นพหะพจน์ออิมม่แต่ว่าอิมามูลอิมามานี่อิมามเป็นผู้นําผู้นําผู้นําผู้นาทั้งโลกนี่แหละ เป็นผู้นำชั้นการเป็นผู้นำเนี่ใครใครถาครับ <Allah. S 1> อัลลอฮ์อีมานจะเพิ่มไหมโอ้โหบางทีมันก็ผ่านการเลือกตั้งบางทีมันก็ผ่านลากตั้งเยอะไหมผ่านมันก็มีผานผ่านเยอะไอ้ประสบการณ์บองมันล้วกันมัต้องไปวิจารณ์กันได้เยอะกันนะพิสูจน์ให้คุณอ่านเนี่ยแต่นั้นอัลลอฮ์ตั้งใครเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่ว่ามาเองไมาช่ฉันแน่นะ Allah, อัลลอฮ์อนุมัติให้คุณเป็นผู้นำคน จะได้มายังไงกัะ อ, อีกเรื่องนึงนะย่าดูน ะ, ะตรงนี้สำคัญมากครับาการเป็นผู้นำต้องทำาไงครับย่าดูนะต้องชี้นำต้องชี้นำคนบีอารินะเอาความรู้เอาคำสั่งจากเราไปใช่เป็นอย่างครับตัวเร า, าคิดเองได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นผู้นำจะเอาความรู้ของอัลลอ์ที่อัลลอ์สั่งอยู่ในไนคำพี่อัลกุรอาน และความรู้ที่ให้กับนบีมุฮัม ม, มัดมาอยูในฮะดีสหมดเลยอ่ะถ้าอิมามหรือผู้นำไม่อ่านคูนอ่านไม่อ่านหะดีจะรู้ไหมล่ะไงตรงนี้ชี้นะการเป็นผู้นำนั้นจะต้องให้เวลาในการศึกษาหาความรู้อย่างกับจะเป็นพ่อบ้านนี่ไม่เรียนรู้จะเลยระว่าหน้าที่ของพ่อทําอะไรบ้างอ่ะ เราเอากลับมาเห็นยังนี่อิสลามสอนดีไหมสอนเตือนพวกเราตลอดเวลาต้องแสวงหาความรู้พราะความรู้ของอิสลามมันเป็นทันนําหมดเลยนะครับอาต่อมาครับละมาอบารูนี่คุณสมบัตที่สองครับเมื่อพวกเขามีความอดทนทําไมต้องเอาอดทนมาพูดอ่ะเพราะการสอนคนหาความรู้หนึ่งต้องเสียเวลา ในผมอ่านผมอ่านหนังสือวานมาสี่้าชั่วโมงตัวผมไม่คืไม่อยู่เยอะไม่ยต้องอ่านทุกวันอ่านุรอารอ่านะดษยงเอื่อไม่ต้องไมอ่านเพราะคุยกานาเนี่ยอามัลาเขาบอกเอ็งอ่านสองอย่างพอแล้วคุรอารกับสุนันนบีรุจีมานาซัลมาหม่เยอะเขบอก่านคุรอารกับกับสุนัน แลภาษาอาหรับมันก็ได้ม า, าตัวอัตโนมาอ่านก้งอ่านอีนวนกวางันเราท่องจำศัพท์ด้วยนะโอ้โหได้ความรู้เต็มได้ศัพท์ด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ไรได้ฮูดาทางนําด้วยแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองและพัฒนาคนอื่นๆอีกหลายมดิ ล, ล, ลิการ์แล้วก็ว่จะอ่านนมินฮุมอิมมาตงิยะดูนาบีอัมรินา และเราได้ทำให้มีหัวหน้าจากในหมู่ของพวกเขาหัวหน้าทำหน้าที่อะไรมีสอเลยนะอย่าดูนะพวกเขาทำหน้าที่เชิญชวนคนให้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องไม่ใช่พาคนหลงจะหลงได้ยังไงล่ะบีอัมรีนาะเอาความรู้นะครับหรือว่า เอาคำสั่งที่เราสั่งผ่านอลัลกุรอานและความสั่งที่ผ่านนาบีอยู่ในฮะดิษนี่นะผู้นำต้องเรียนอีหมานต้องเรียนคนที่มีอํานาจดูแลเมืองใบเมืองนี้ต้องเอาความรู้จากฉันผ่านคุณอ่านผ่านสุนนะนบีเอาไปใช้ล้วมาสวารูอะไรครับขณะที่พวกเขาต้องมีความอดทนอัลลอฮฺ จะเรียนก็ต้องอดทนจะสอนคนก็ต้องอดทนเวลาสอนคนนี่ต้องนึกถึงนบีใช่ไม่ใช่นบีแต่ละคนมานี่มาสอนหรือมาทำอะไรมาสอนคนให้เปลี่ยนแปลงหนาะไม่ใช่มาสอนวิธีการหุงข้าวทำแกงมัสมัะหลังทำไงไม่ใช่นบีสอนเรื่องหัวใจหัวใจคุณทำยังไงจะโยมกับหรอหัวใจคุณจะต้องมีตักวาทำยังไงหัวใจคุณจะมีสบัตดิ์ทำยังไงหัวใจมีหอวใจสารทำยังไง อีมานทำยังไงผ่านนาบีหมดเลยครับแล้วก็รูปแบบในาการทำทำไม่เป็นดูนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอัลลอฮ์อักบาร์มคือผูนอ้นั่งอ่านกุรานเจอเจ อ, เจออย่างนี้ครับในวันกิยมามะเนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกคนมารวมอัลลอฮเล่าคุรานบอกว่าเวลายุสบิลลาห์ุนบีวัลละลีนาอามันุมะฮะมะมะฮู อัลลอฮ์จะไม่ทำให้นบีเนี่ยเสียหน้าในวันเตียมะนะอัลลอ์จะไม่ทำให้นบีเสียหน้าและจะไม่ทำคนที่ปฏิบัติตามนาบีวันละดีนะมาอาูและคนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับนบีเอาความรู้จากสุนานะา น, นาบีเอาไปใช้นบีปัจจุ บ, บนันสองกลุ่มนี้จะไม่ทำให้เขาเสียหน้าดีเลยไี อันล้วอัลอักบวัดสบายใจจริงๆแล้วต่อมาครับจืงที่สองยัมชูนะอีมานุมยัมชูจะมีอีมานเนี่ยเดินนำหน้าเขาต่วันกี้มากนะถามว่าอีมาเนี่ยหามาจากไหนละ่ะมันต้องหาก่อนตายใช่หรือไม่ใช่อีมาห6วข้ออะไรบ้างอีมานต่อรออีมาต่อรสูลอีมาตัวคัมคพี إيمان ต่อวันเตียมะ إيمان ต่อกฎกบฏก็ไ ด, ด้ إيمان ต่อมะไรอีกครับ إ ي م ا เรื่องที่เรามองไม่เห็นเป็นรัศมีนำหน้าเดินนำหน้าเราในทุกมาชัแล้วก็วับไไอมานี่มแล้วแล้วก็วกรัศมีนำตรงไหนครับรัศมีอยู่ทางขวา ม, มือทีนี้ก็อ่านต่อไปว่ารัศมีนี่หาได้โดยการเดินมามัสยิดรัศมีเกิด นี่ถ้าเราเอาสายตาไปไปไปมองรัศนี้มาได้ยังไงวะก็นี้อัลลอฮฺสั่งกับนบีให้มาบอกทุกข้าวที่เดินมามัสยิดนั้นเป็นรัศมีนะยิ่งเดินมาตอนมืดมื่นเช่นมกริบอิชาซุบะมืดทช่ไหมละขับรถมาปลำบางยิ่งมกริบเนี่ยสายตาเราตอนแก่ๆมองมัมัวพลาพลามีรางวัลตอบแทนจะเอาทั้งหมดเลยทำได้ไหมนี่รัศมี พิมาอัลลอลลอฮฺอัลบดิยิ่งใหญ่วักสุดท้ายว่าการูบีอายาตินายูกีนูนิฟัดที่สของผู้นําและพวกเขาเชื่อมั่นในสัญญาต่างๆของเราอัลลอฮฺอัลเบดจะน่าพอเป็นผู้นําคนนั้นนะ่ะอย่าลืมคําสั่งของอัลลอฮฺอย่าลืมสุนานะานบีข้อที่หนึ่งสองต้องอดทนข้อที่สามต้องมั่นใจจงยกระดีมต้องสูงด้วย ถ้าไม่มียากีนไม่สำเร็จทำแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยถูกด่าหรือโหอิศห้รางวัลนี้ไหมต้องมั่นใจว่าเรามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มองท่านนาบีุลมฮัมหมัดเป็นแบบมองนบีมูซานาบีนว น, นบีอิบราฮีมแต่ละคนที่อัลลอ์ส่งมาเนี่ยเขา เ, เชิญปัญหากันทุกคนเขาเคยบน่นไหมไม่มีใครบ่นสักคนอัล <laughs> ฮัมดุลิลลนี่ความรู้ผ่นนะานอนัลกุรอานนะก่อน พี่น้องบิอาญาตินายูกินุเนแปลว่ามุ่มินทุกคนจะต้องอีมานหมายถึงว่าผู้นำด้วยผู้ตามด้วยจะต้องมั่นใจในอัลลอฮ์ให้สูงคำว่ายาตีนคำเดียวนี่นะแก้ปัญหาได้หมดเลยถ้าเรามั่นใจในนะอัลลอฮ์นะออาริรกีเนี่ถ้าเราไม่มั่นกับอัลลอฮ์นี่นะเราเครียดนะอศรกิจตอนนี้มันก็แย่ลงแย่ลงใช่ไมละ่ะอัลลอ์บอกว่า ถ้าเราไม่มั่นใจนะเ ล, ลาว่าอัลลอ์เลี้ยง ไ, ไมอัลล์สร้างชั้นฟ้ามาชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยสร้างโลกสองวันสร้างชั้นฟ้าสองวันสร้างอาหารที่สองวันลรกลัวจน่ะก็ต้องไปกลัวนะครับทบําดเอาต่อมาครับในตัฟซีกอธิบายบอกว่าท่านวะเกียวเกียจะใคร์รู้เปล่า ครูขอุอิมามชาฟีแล้วก็ท่านซูฟยาเนี่ยบอกว่าลาบุตดาลินดีนมินอลไลน์มีกรรมลาบุตดาลินยาสัตวี่มินอลครบสิคืว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยต้องเรียนอิมามครูขุอิมามชาฟีคือ ท, ท่านอวัติยพูดนี่พูดนะสอนอิมามชาฟีนี่แหละ ถ้าเป็นมุสลิมมุหมินต้องเรียนหนังสือเรื่องที่สองต้องหาความรู้ต้องเรียนหนังสือต้องคน้นคว้าเรื่องที่สองเหมือนการอะไรนะเหมือนกับร่างกายถ้าจะให้มีชีวิตที่ว่าอยู่แข็งแรงต้องกินโค้ชมาถึงกินข้าวกินอาหารเมื่อต้องการชีวิตต้องการอาหารแบบไหนวิญญาณ รู้ว่าของเราสติป like ัญญาก็ต้องการความรู้เช่นเดียวกันสอนเด็กก็ใจง่ายว่าทำด้วยลิลลาฉะนั้นเรียนเยอะนะเรียนแล้วมันต้องหวังนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีกว่าเก่าลิมาโยฮีกลุ่มเอาต่อมาครับอายาทีสิมาอินนารบบกะอวยฟิลูไบณามยามลกิยาม فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر. แย่านี้ต้องการจะอธิบายว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือในระหว่างอาคิดาอาคิดากลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อาคิดากลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อาคิดาอยู่อย่างนี้โอ้ที่กข็ขัดขัดกันอะไรกันอยู่นี่นะอลัลลอฮฺจะตัดสินในวันเตี้ยมาตอนนี้อย่าพูดไปไ ป, ป น, านามใครนะ <c oughs> อย่าไปโอ้กูแน่ เองพิษอย่าไปประนมอดูสับกับอินนารอบบากาอินน่าแปลว่าแท้จริงรอบบากาหมายถึงพระผู้อภิบาลของท่านถ้าอีลาหุนแปลว่าพระเจ้าถ้ารอบบุญแปลว่าพระผู้อภิบาลสับขมีเฉพาะโดยนะอินนารอบบากาแท้จริงพระผู้อภิบาลของท่านนั้นทําหน้าที่อะไรบ้างหัวยับซิลูแปลว่าตัดสิน ไฟสลายนะบอสตารอุดูแต่ว่าตัดสิบไบนาหุมในระหว่างพวกเขาเหล่านั้นที่ขัดแย้งกันและนั่นเป็น้อเมื่อใดครับตอนนี้ให้มนุษย์กับมนุษย์นี่ดูแลกันเองให้มนุษย์กับมนุษย์เนี่เป็นผู้นำกันเองสอนกันเองเตือนกันเองเป็นที่พูดพูดคุยภาษากันเองอะไรกันเองให้มนุษย์กับมนุษย์ดูแลกันเองยามาตยามะ อ l l หจะตัดสินปัญหาที่ขัดแย่กันในวันปียามาบ่าวานนี้ผมไปปัญญามีผู้หญิงมุสลิมที่ที่อันที่อันจุมันถามมาว่าหนูนี่ถือบวชในเดืนอนลอมดอนน้ำหนักมันพอออกออกบวชน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นอ้วนด้วยหนูเนียถือบวชวันจันทร์กับวันพฤหัส ต้องการจะให้ลดน้ำหนักกับลดความอ้วนได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าจะเนี่ยถือสินอดต้องอีมานนั้นวัตติซาบันหวังให้อีมานมันเพิ่มสองหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮนี่สุนนะนะดี แล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือกูฟิลอยและอูมาต่อกดเดมเ บ, บนซามบิอัลลอฮฺจะอภัยโทษความผิดของคุณในอดีตเห็นยังครับความผิดเล็กๆเบาๆนี่เรอัลลอฮฺอภัยโทษในบมดถือบวตแต่ถ้าบาปใหญ่ต้องตอบบาพระาะฉะนั้นอย่าไปเหนียดลดนํานางอย่าไปเหนียดลดเบาหวานไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป้าหมายพิงพลอยไ ด, ได้ได้ทุกคนคนที่ถือบวตเนี่ยคนที่อดอาหาร ถึงจะไม่ใช่มุสลิมตะโอดนะฮะมันก็ลดน้ำหนักมันก็ตัวมันก็เบาขึ้นอะไรไมันก็ดีขึ้นแต่อย่าเนียดตรงนั้นนะมันผลพลอยได้แต่เนียกก็คืออีมานั้นวาติซาบันหวังให้อีมานมันเพิ่มพูนแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอาวบเนี่ยไอขัดแย้งกันในเรื่องเล็กน้อยๆนีน่ะเยอะในสังคมนะอินนารอบบกแทจิงบาผูอภิบาล ของท่านนั้นจะตัดสินใบยนหุมในระหว่างพวกเขายยามาโลกียามาในวันจียามานูนอลัลลอฮ์จะตัดสินแสดงว่าอลัลลอฮ์ต้องมายืนอยู่ต่อหน้าเราแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับเอาต่อมาครับฟีมากาโนฟีฮยัคต์ลิฟุนยัคต์ลิฟุนอิคลาหที่แปลว่าขัดแย้งกัน ที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่บนโลกดุนยาบปนี้เรื่องอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องอัตีนะอืมที่ขัดแย้งกันนี่ท่านอธิบายนะแล้วก็เรื่องอเรื่องอามันต่างๆถือกลอย่างของอย่างสามอย่างล้วก็ขัดแย้งกันใช่ไหมอัลลอฮฺจะตัดสินเรื่องความเชื่อเรื่องอามัณติโซและอัลลอฮฺบอกว่าเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่องนะจ๊ะอัลลอฮฺ ทีนี้ถ้าจะไม่ให้ขัดแย้งกันเยอะเนี่ยเขาก็แนะนำอ่ะพยายามเรียนยึด Quran เราไปยึดอะไรยึดสุนนะนะเบเยอะๆความขัดแย้งมันก็จะน้อยลงนะครับห้ามยืนยันเลยพี่น้องออาต่อมาครับอยานที่26อวลัมยะดีลาฮุมคัมอาลักนามินกับลิฮิม มิใน Qur'an ยาม ن في ِ ي ฟีมาซาคินิ h อินนับฟี ذلك ล آ อัย أفلا يسمعون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا م ِ ن قَبْلِهِمْ مِنَ, من الْقُرُونِ ยามชูนัฟีมาสักินิฮิมอินนัฟีซาลิกะละอายาต أفلا يسمعون الحمد لله الحمد لله อายาที่ยี่สิบหกตรงกันจะเตือนอย่างนี้นี่เตือนคนอาหรับหรือเตือนคนที่อยู่ในโลกใบนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ แต่เป้าหมายสาเหตุจริงๆก็คือกลุ่มอาหรับมุชริกสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ที่ขวางนาบีนะไม่ให้นบีเผยแพร่อิสลามเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาคุณไปเดินทางนะตามสถานที่ที่อลัลลอ์เคยถูกทําลายทําลายไปก่อนแล้วมีหรือไม่มีล่ะ ในโลกกระดับนี้มหมเอาเดซีใช่มอืมอันนี้เป็ตแล้วก็มัมมีฟ่ฟาโรใช่มัมยังอยู่ใช่ไ้ยแล้วคุณยังไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยเไปดูเดซีมาแล้วเดินสถานผ่านสถานที่ของพวกเขาแล้วก็ไปดูมัมมี่มาแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้าง ยังไม่พ อ, อหรือที่จะประคองตัวเองไม่ให้ตกนรกะหรือประคองตัวเองไม่ให้ถูกลงโทษยังทําไม่พออลยเหรอมาคิดนะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาเยอะต้องศึกษาไขาควรมตึกต้องเยอะๆอย่าไปไหนมาไหนโดยไม่ได้ไม่ได้พิจารณาเลยเลยกับตัปสีที่เราอ่านกันมาเมื่อเมือ่อหกเจดเดือ น, นที่แล้วมีอยู่มีอยู่บ้าง อะไรนะฟาสซรูฟิลอาดิจงอะไรนะเดินทางบนหน้าแผ่นดินของอัลละเดินทางีให้ดูหกอย่างนี่เ็าชีน้นำไปเลยอนะ่ะต้องไปนั่งใช้ปัญญาเองหนึ่งไปดูว่าประชากรตรงนี้นะ <S <S เยอะหรือไม่เยอะจะได้ดาว่าสบายจะได้รู้มีกี่คนข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สองภาษาที่เขาใช้ภาษาอะไร ข้อที่สมนิสัยของคนตรงนี้เป็นยังไงข้อที่สสถานที่อยู่ของเขาเป็นยังไงแล้วข้อที่ห้าเนี่ยบ้านช่องเขาอยู่เขาเป็นยังไงแล้วข้อที่หกที่ตรงนี้เคยถูกบาลลาไหมเคยถูกล้อเล่นงานไหมในเวลาออกไปออกไปดาวาา่าสถานอ่ะไปเจอครับพี่น้องต้องนึกหกข้อหนึ่งภาษาเขาใช้ภาษาอะไรเขาจะได้คุยถูกใช่ไหม นิสัยเป็นยังไงโหดร้ายบป่าหรือว่ามีผู้นำดีคอยอบรมก็สบายใจอ่ะแล้วก็อัครากนิสัยเป็นยังไงที่อยู่ก็เป็นยังไงอลอกอัปบัดรู้ไปถึงสถานที่ตรงนี้เคยถูกอลอรนลงโทษไหมเหมือนพวกอาสมูดหอกอัเหมือนพวกฟาโร่ไหมนึกตลอดเลอัลลอฮ์ชี่ทางนำพานอุลามะมาสอนให้ทำอย่างงี้ ล้วก็สั่งให้เดินทางด้วยนะเดินทางไปรอบโลกนี่แหละไปทำอะไรนี่นะไปทำงานสาธารณ้แต่ต้องให้นึกหกข้อนี่ละอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูสับครับอวัลัมยะดีลาห์ยังไม่ได้ชี้ยังไม่ได้ชี้ทางแก่พวกเขาอีกหรืออวัลัมยะดีลาห์ฮาดาบะฮุดาเบบะตะนำ้ำ ยังไม่เป็นที่ยังไม่พอที่จะเป็นทางนำแก่พวกเขาดอกหรือเข้าใจนะยะันที่แปลตรงๆเลยนะอวลามยะฮดิลฮุมยังไม่เป็นที่ที่นำชี้ทางแก่พวกเขาดอกหรืออะไรครับ กรรมอากรมแปว่าเท่าไหร่มาแล้วอานลัคนาเราได้ทําลายมิ่งกอบลีมก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะมาก่อนที่ชาวอาหรับจะถูกมี่งนบีมาสอนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทาลายคนมากี่ยุคกี่สมัยแล้วยังไม่สามารถนําเอามาเป็นทางนําที่จะมาแก้ตัวคนในปัจจุบันนี้กันนั่นหรือต่อการจเตือน พราคนาระดับซาอุดีนี่ก็เดินผ่านเมืองเมืองอะไรนะเมืองเดสซีใช่ไหมเวลาจะไปค้าขายที่เยเมนและไปค้าขายที่เมืองชามเนี่ยจะเดินผ่านเนี่ยบางคนสมัยก่อนนั่งคองบินผ่านยินขี่อูนผ่านขับรถผ่านก็มันผ่านอยู่ในเหตุการณ์คุณเห็นหมดเลยนะ่ะไปเจอเ ด, ดซีคุณยังมองอะไรไม่ออกเลยถ้าว่าเ ด, ดซีถูกทาลายเพราะอะไรเพราะคนตรงนี้มันชัว ไม่เอาอัลลอฮฺจะทำบาปอีกเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยยังไม่เป็นที่พอเพียงที่จะที่นําพวกคุณหรอสอนดีไหมหรเราไปทําอุม้มเราเราอังคารเาบอกว่เยี่ยมประเทศต่งตางๆไปเจอเหตุการณ์ต่างๆต้องนึกโอ้โหนี่เราเนี่ยทำอยู่ดีแล้วอยังที่เราไปต่างประเทศมาเจออากาศมัอหนาวก็อาจาศต่างประเทศ อ้แค่อินเดียแบบนโล่หนาวจริงๆแล้วร้อนจริงๆประเทศไทยเป็นไงอันห้ามอยู่เลยละขอบคุณ อ, อนะัลลอฮฺองไปเจอเตาดี้หนาวจัดก็กร้อนจัดเราก็แย่ใช่ไหมละ่ะกลับมานป่วยกันเป็นแถวเลยขอบคุณอัลลอสุบฮานาหาูวตาอากาศมันเปลีป่ยนแปลงทำไมก็ให้มนุษย์ได้คิดถึง a, อัลลอโยงถึงอัลลอบ่อยๆนะ<ม>อย่างอื่นไม่มีครับให้เรายมกับ a, าาอัลลอสุบฮานูวตา อวบดํยาดีลาฮุมเหตุการณ์ในอดีตยังไม่ใช่ยังไม่ได้ชี้ทางนำแก่พวกเขาอีกหรือกี่ชั่วคนมาแล้วที่เราได้ทำลายก่อนหน้าพวกเขานะครับเช่นพวกอะไรบ้างพวกอาตพวกสมุรและพวกมัดยันใช่ไหมพวกฟาโรกอรูนฮามานเนี่ยเราจะททำลายมาตั้งเยอะแยะไปหมดแล้ว สามสี่รายการเนี่ยังไม่ ย, ไมยังไม่พออีกหรือที่จะเป็นเครื่องชี้นำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองต่อมาครับยัมสุกูรุนไปลว่าสัตว์วหรือว่าชั่วคนอายุของคนชั่วนะครับยุคสมัยกอรุณสัตว์วัก็ได้นะครับยัมชูนพวกเขาเดินให่ไหม ฟีมาสากินิหิมที่อยู่อาศัยของพวกเขาเหล่านั้นคุณเดินผ่านที่อยู่อาศัยของพวกเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถพอรี่จเป็นที่ที่ทนำที่ทางให้คุณได้เข้าใจเหตุการณ์นในอดีตยังไม่พออีกเระอาจานี่สรชายปัญญาหรือเปล่าชายปัญญาสอนให้เดินทางด้วยให้ชายปัญญาด้วยต่อมาครับ อินนฟิละลิกะลายาตแท้จริงในในนั้นน่ะในสถานที่ที่คุณเดินผ่านนี่นะละอาญาตมีหลายหลายสัญญาเห็น ไ, ไหมละอาญาตเป็นพรพุนธนะมีหลายหลายสัญญาเอาไปดูแค่มัมมี่อย่างเดียวเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างหนึ่งอัลลอฮ์ให้กับนบีมูซาเนี่ยก้าเรื่อง เรื่องที่หนึ่งไม้เทา้าโยนกลายเป็นงูได้ข้อคิดอะไรบ้างเรื่องที่สองเอามือออกมาจากหน้าอกยกมือสีขาวได้ความรู้อะไรบ้างอันที่สามมีเหาเหานี่อยู่บนหัวมุสลิมามอยู่บนหัวผู้หญิงหมดเลยอะ่ะทุกวันมีแต่เหาทั้งนั้นน่ะแล้วต่อมาเหาก็หมดได้ข้อคิดอะไรก่าต่อมาครับ ตะกตั่นตะกตันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยอ่ะแล้วต่อมาครับมีกบตักน้าเจอกบตักน้าเจอเขียดเจอกบในยุคของฟาโรห์นู้นน่ะแต่ข้อคิดอะไรบางข้อที่หมีพายุมาเนี่ยโลข้อที่เจ็ดมีเลือดตักน้ําไปเจอเลือดเจอเลือดเจอเลือดโล อ, อักบัดแล้วข้อที่ ข้อที่เจ็ดกันดาลข้อที่แปดคลม้ขาดแขนข้อที่เก้ามีเลือดทั้งหมดเหล่านี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอลัลลอฮ์เล่าวาดักาพีคุณอ่านหมดเลยแล้วคุณไปไปเห็นฟาโรห์ยังอยู่อยู่ในศพยังอยู่นะได้ข้อคิดอะไรบ้างยังไม่พออีหรือที่จะทำให้คุณได้เตือนสติคุณว่าฉัน้เริกพละยศต่ออัลลอฮ์ได้แล้ว ปฏิบัติตามคำสั่งของอลัลลอฮ์ดีกว่าเราอยู่ในยุคไหนยุคของนบีมุฮัมมัดก็เชื่อนบีมุฮัมมัดสิ่งที่นบีนำเอามาสอนทุกรายการเลอดยวนี่อัลลอฮ์เตือนอวะลัมยาดิลาฮุมกัมอลักนามิงกับลิมมินาลกูรูนยัมชูนฟีมาซาคนิฮิมอินฟีซาลิกะลาอัย อาวแล้วยาสมาคุณเนี่ยยังไม่ฟั ง, อ, งอีกหรอด่าได้ดชมอ๋อไม่มีหูไม่เคยฟังฟังแต่เพลงดนตรีอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> ยังหูดีมันก็พยายามนะเอามาแทนหมดเลยงานะหน้าที่มันนะเอาเสียงเพลงมาแทนเอาดนตรีมาแทนผ่านหูไม่ให้ผ่านหูผ่านอุรนานไม่แล้วก็หล้นไปเท่าไหร่แล้ว อ้าวมีตาควรจะมองของที่ฮารานมันเอาของฮารอมมาฮะมองเรื่องฮารอมมารอมมารอมจะเป็นไงมีสติปัญญาแท่ที่จะคิดถึงอัลลอฮ์ราสวดคิดถึงอเมริกาก่อนโอ๋อมันทํานั่นทํานี่ทํามี้ทา น, น, น, นั้นแล้วก็โฆษณาให้คนหลงนะนี่ถ้าเราไม่อ่านอุลัยเราก็ไม่รู้ว่าเออควจะมองใครดีเชื่อใครดีฟังใครดีนี่คือข้อข้อตัดสินจากอุลาน มันจะไปนอนถึงลงว่าเรื่องของอบดมฮัมหมัดในะเรื่องใหญ่นะมีอะไรว่ามีอาซาบมาเนกะ้าอย่างของดีมีไม้ไม้ถืออ่าชักมือสวามนี่เป็นเรื่องดีหมดเลยแต่เรื่องอาซาบที่มาให้ให้เปลี่ยนแปลงนะวันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ก็ส่งอาซาบมาทีละน้อยละน้อยนะแต่เราไม่รู้สึกตัวกันนไะงพรออ่นานกูอ่านรู้เลวโอ้โหใช่ อัตบ่าวสุดท้ายครับอาวัลัมยาราวอันนาสุุลมาเอล الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأمفسهم فلا يبصرون เอาแล้วมีรู้ว่านั่นสุขุลมาอิลล์อาร์ดิลูรุส์ฟานุคริจุบิห์ธาระตักุล์มินห์อันงามุฮุมแอมฟุซุฮุมอาฟาลายูบัซซรุนัลลอฮฺอัลลอฮเปรื่งพูด ับเล่าเรื่องในอดีตอดีตอดีตให้ฟังว่เาเรื่องนี้ต้องการปัจจุบันดูปัจจุบันดูโลกให้สังเกตดูไดบ้างแผ่นดินที่มันแห้งแล้งพอมีน้ามาเวลาแห้งแล้งเนี่ยต้นไม้ขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วพอมีพอมีน้า ม, ม า, าต้นไมยขึ้นเทียนใช้หรือไม่ใช่ ต้องการจะเตือนหัวใจของมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินหัวใจที่ไม่มีไม่รู้จักอัลลอฮฺเป็นหัวใจเหมือนดินที่แห้งแลง้งแสบไหม <c oughs> แล้ต้องนึกเลยถ้าเราเนี่ยไม่เรียนกุรานไม่เรียนสุนาานะานบีหัวใจเราไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินที่แห้งแลง้งถ้รราผานกุรานเนี่ย หัวใจชุ่มชื้นเพราะเรารู้จักอัลลอฮ์หัวใจชุมชจจ Allah, จช่มชื่นนะฮะโมเดลินะแต่ต้องการจะเตือนคนกาเฟต ด, ด้วยนี่มีคุณอ่านลงมาแล้วนะมันไม่ต่างอะไรกับ น, นาฝนที่ให้มาแล้วแต่หัวใจคุณยังกระด้างเหมือนเดิมอยู่เลยเนีหัวใจคุณยังกระด้างเหมือนเดิมเลยทัานที่ว่าน้ําฝนก็มาแล้วนะแผ่นดินเนี่ยมันงอกเงยให้คุณเห็นด้วยตาของคุณนะ่ะคุณยังคิดจะทำให้ออกอีกเหรอ เข้าใจนะผมนึกถึงวันที่นบีไปเมืองตออิฟนะถูกขว้างมาเสร็จแล้วก็ยิบรีนมันจะยืนมาาะไรกันแสดงตัวว่าจะให้ฉันเอาภูเขานี่เดินชนกันไหมคนที่คว้าท่านจะตายดิวกันไห ดิ่ะอ่านข้อร้องไห้นะ um um, ay อัลล a ฮุมมั่งฟิดลาฮุมไฟด์นฮุมลาญมิน a l มลาญะ a l ฮุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษเขาด้วยเพราะคนนี้ไม่รู้ให้อภัจนี่ตอนที่ถูกขว้างอรมณ์บอกยิบรีนมาฮ์ยิบรีนลงมาหามุฮัมนะมัดมุฮัมมัด อย่าให้เลือดของนบีหยดหนึ่งถูกพื้นถ้าถูกพื้นนะตนมาจะไม่ขึ้นอีกต่อไปบนโลกุญยาแบบนี้บอกยิบยิบยิบยิบครับครั บ, ร บ, รบลงมาปกป้องหนอยเลือกยัยมากนะอัลลอฮฺเนยยกย่องให้เกียรตินบีบนรนดาในเราก็ต้องให้เกียรตินบีถึงได้ถามในกูโบะใช่ไหม รู้จักมูฮัมมัดเปล่าอัลลถ้าต่อรารู้จักมฮัมห ม, ม, มัดก็ตืองมต้องอมันสุนนะของนบีทั้งหมดในพระามปฏิบัติบอกปิบอย่างอย่าดวสุดท้ายอาวลามยาเรายาเราไปวหาเห็นหรือว่าคิดตายตองวิเคราะห์คุณไ ม, ไม่ไม่ได้คิดหรือ อ, อ, อัลลอฮเาอัลกบัดเอาลมลมยมคุณไม่ได้เคยใช้ปัญญาหรือไม่ได้คิดหรือ อันแท้จริงเราเนี่ยนาซูกุซากายาซูกูดแปลว่าได้ให้น้ำเนี่ยไหลหรือว่าได้ขับน้ําได้ส่งน้ําให้น้ําเนี่ยไหลซากวายาซูถ้าซากายาซูแปลว่าขับรถนะยาซูกุสยัยยะเราขับรถถ้ายาซูคุลมากแปลว่าส่งน้ํามาให้ไหลไหลไปไหนครับอันมากแปลว่าน้ํา อีลังอาร์ติแผ่นดินยูรุสแผ่นดินที่ว่างเปล่าที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นให้สังเกตคุณไม่เคยมองบ้างหรือว่าแท้จริงเราเนี่ยได้ส่งน้ำหรือว่าขับน้ำหรือได้ส่งน้ำเนี่ยให้ไหลไปในที่ที่ไม่มีต้นไม้แห้งแลง้งที่ตรงนั้นแล้วเป็นไงครับหลังจากให้น้ำมา อ, อ, อัลลออับัุ ฟันนุ่งริ้ออยูฟันนักรูยู่ฟันุ่งรื้ออยู่บีซารานุ่งริ้อบอกว่าออกพอน้ามาเนี่ยเราให้ออกอะไรออกซารานแปลว่าพืชพืชผักให้พืชผักออกจากในที่ที่เคยแห้งแล้งพอถูกน้ำมีกล้วยขึ้นนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะมนุษย์ทำได้อะ เป็นกฎที่เ l l วางไว้ให้กับโลกไปนี้เรามองผ่านๆเฉยๆ Allah เอ้ยไม่ใช่สังเกตแค่น้ำมาอย่างเดียวต้นไม้ขึ้นบนทันฟ้าน้ำตกเท่าไหายก็ไม่ขึ้นน่ะขึ้นเฉพาะบนลลกดุยาไปนี้ที่อื่นไม่มี <c oughs> บนดวงจันทร์ไม่มีดาวอคารไี่ เฉพาะเพาะโลกใบนี้แผ่นดินนี้เท่านั้นรอให้พอน้ำมากดหมายขึ้นใครทำได้พอเรียกว่ากดธรรมชาติปั๊บลืมมารอเลยฟิตทรบมาธรรมชาติใช่ไามฟิตทรตุลลอกดธรรมชาติใครเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของพราะอ่านอุษนเจออัลลอ o ์ใช่เลยเอาตัวมาครับ ตะกูลมินหท่านกินอการยากายกูลท่านกินกินต้นไม้ผลไม้ที่ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันแห้งแล้งพอน้ํามาคุณกินต้นไม้แล้วใครกิน อ, กอีกอันนามูหุมสัตว์ของพวกท่านปศุสัตว์ของพวกท่านแพะแกะวัวควายที่คุณเลี้ยงอยู่ได้เพราะพืชพันธุ์ยามหาที่ขึ้นในที่ที่อัลลอฮฺจัดเอาออไว้เอาตัวมา ว่าอัลฟูซูฮุมและตัวคุณด้วยทำไมผูดสาตว์ก่อนอ่าพูดมนุษย์ที่หลังทําไมอ่าเป็นข้อคิดน่ะเราในอยู่ได้เพราะศาตว์นาถ้าศัตว์ไม่มีอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีคนศาสตว์อยู่ได้ไหมได้แต่ถ้าเรามีคนแต่สัตว์ม่มีอยู่ได้ไหมแย่เ <Yeah, S 2> ลยทําไมไปกินนมก็แม่มาได้นั่งนึกเยอะๆเฮ้ยทาไมใช้อะเราอะ สัตว์กินละคุณกินสัตว์มา ก, ก่อด้วยละคุณมาที่หลักเอ๊ะเพราะอะไรคุปมาการแ น, นแะนาอ่ะแสดงว่าสัตว์นั่น่ะมันประโยชน์กับมันรุนหมดเลย <ś c oughs> อย่าไปกราบสัตว์อสอนต่อเองน ะ, ะกราบบนล้อดุลต่อมาครับอาฟายุบซิรุนพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือบาซรอดแปลว่าเห็นยัสตาลได้ยินอ คุณเน่ยอายาที่ยี่สิบหกไปว่าทําไมคุณไม่ไม่ได้ฟังมั้งหรืออายานี้มีตาถ้าคุณไม่ได้มองมังหรือนีสอนให้ผู้ชายผู้ชายตามองอะไรไม่ใช่มองแต่ผู้หญิงผู้หญิงหนังสือโป้อย่างเดียวไม่ใช่มองละครอย่างเดียวมวยแค่นี้แหละชีวิตจะมีแค่นี้แหละให้มองเนี่ยแผ่นดินที่แห้งแล้งพอฝนตกลงมาต้นไม้มันงอกงามถ้ามันไม่มองบ้างเนี่ยเราชี้นําให้ ยิงวัานอาทิตย์วันนี้หน่แผนหนังสือไปงานไงพี่ผู้หญิงโผล่บนเดยใช่เลยว่าใช่เขามาจากไหนแหละก็นยาฮูดีมันวางปดเอาไวร้งต้องอย่างนี้ชีวิตของคนต้องอยู่กับเรื่องชั่วช้าทั้งหมดจะได้จู ง, ง่ายหลอกง่ายพระพุทธอานชี้นำประว่าโลกใบนี้นะดุนยาน่ยมีสามชื่อนะใบตุ่กูรูดโลกแห่งการหลอกลวงใช่เลยไม่ใช่แล้วสรงใครมันหลอกลวงคนนี้แหละท่งคนนี้มาหลอกลวง สใบตุลอังกาบูดโลกแห่งอะไรใหญ่ยยแมงมุมแล้วก็ยานะเข่าเบางตเปีกยุง่งเห็นอย่างนี้นะพี่สอนเลยอย่างนี้เราไม่เคยฟังมาเลยตาอะไรว่าเปีกยุง่ง <c oughs> นี่พอเราเข้าใจถึงอย่างนี้เราก็ประคองตัว ไ, ได้อ๋ออันนี้เปีกยุ่งนาะอันนี้บ้านแมงมุมนาะอันนี้บ้านรอบรประคองตัวยังไงประคองตัวต้องเอาคุรานของนบีเนี่ยคุรานที่ผ่านนาวนะัว่างา อันที่นี้กูอ่านอนธิบายต่อบอกว่าแผ่นดินที่แห้งแล้งนะ่ะคือแผ่นดินที่ที่ไม่มีต้นปนผลไม้ขึ้นแผ่นดินที่แห้งแล้งคือแผ่นดินที่ถูกสัตว์กินอย่างกูโบนี่ท่ามาสังเกตนะพอตัดภาพนี่นะแค่สออาทิตย์นี่ยขึ้นใช่ไหมสวยเขียวนะขึ้นเพราะนำฝนครับ แ, แต่ก็คิดเดยเอะอัลลอฮฺอัลอา หรือสถานที่ที่น้ำไม่ถึงมันต้องเอาน้ำใส่ลงไปนี่ก็เรียกว่ายูรุสแปลว่าสถานที่ที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้ขึ้นแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือต้นไม้ ท, ที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นทั้งหมดนี่นะก็มันต่างอะไรกับใจมนุษย์เหมือนกันใจมนุษย์ถ้าหากว่า อ่านคุณอ่านแล้วยังแก้ไขตัวเองไม่ได้ไม่มีอะไรอิมานไม่ขึ้นที่หัวใจตักวาไม่ขึ้นที่หัวใจอยากดีไม่ขึ้นที่หัวใจคุณโอ้โหนี่คุณนี่เป็นคนประเภทไหนอ่านี่ก็เป็นข้อเตรียมใจสาหรับพวกเราครับาาะกละหุะบิขารมาวละอิละอิลอันะอัตักวาตูบุรลลามะฮ์วะลัมฮ์มุฮัมมัดวะอะลฮิวะสัมอัจันุลฮมดลิลลาฮิรบบิอลมนะหมาในบ้าน